นิวรคือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้านในคุณธรรมเป็นอ ก, กุสลธรรมที่ทำให้จิตเศร้าหมองและทำให้ปัญญาอ่อนกำลังมีห้าอย่างได้แก่การมาชันทะความพอใจในกรรมความต้องการกรรมคุณพยาบาทความคิดร้ายที่นามิทะความหดหู่และเสื่องซึมอุตจักกุกุจจความฟุ้งซ่านและร้อนใจความกระวนกระวายกลุ้มกังวล